พรญาโยมทุกท่านได้ไปฟังแล้วก็การทารัตตานุวันนี้ควรจะได้พูดธรรมะให้พวกเลาได้ฟังและนำกปปฏิบัติวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบปฏิบัติธรรมะ รู้ว่าปฏิบัติธรรมแต่รู้รู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้อันสอนเอาไว้รู้อย่างไม่รู้รู้แต่มันไม่รู้แต่มันรู้รู้ไม่มีจุดหมายปลายทางรู้ไม่มีจุดสำคัญกับว่ารู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้รู้มีจุดหมายปลายทางมีจุดสำคัญเอาไว้เมื่ยรู้อย่างผู้รู้สมเยนี้มีคนสอนคนผู้ธรรมะกันเป็นจำนวนมากเปิดฟังแล้วก็ดีทุกคนเอาว่าดีนั่นมันดีตามความคิดเห็นแต่มาทิศทแต่ควรเห็น ทิฏเป็นเพียงความเห็นเท่านั้นแม้ว่าเห็นผิดเขาเรียกว่าเป็นนิสสัทิฏฐิไม่เห็นผูกเขาเรียกวสัมมาทิฏฐิข้าว่านิสสัตทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐินี่เราจะเอาที่ไหนอันไรมาเป็นเครื่องวัดมาเป็นเครื่องตัดสินให้เราไม่รู้แม่ไม่รู้ก็แสดงว่าเราไม่มีควมสงบเต็ม ว่าสงบี่ก็เลมากสงกแป่ไม่ให้สงบอันนัก็สงบบางคนไม่สงบไม่สงบแจ้งการคนสงบลุกตัวไปอยู่คนนึงคนเดียวอันนัก็สงบแต่ไม่มพิจารณาในตัวเองนะความสงบที่ผมจะพูดนี่รู้อย่างผู้รู้ความสงบนี่คือหมายถึงว่า เราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดคือไม่ต้องการหาครูหาอาจารย์ทั้งหมดและไม่ต้องหานิพพย์อื่นใดทั้งหมดมาปฏิบัติเพราะเรารู้หรือว่ารู้อย่างพูนรู้ว่าสมุบแล้วสงบก็แปลว่าหยุดอื่นเองหยุดหาครูหยุดาหดาอาจารย์หยุดหาวิธีปฏิบัติหยุดหาสถานที่หลอหยุดหยุดกับเศร้า ตรงวางทั้งหมดในวันจุดเมื่อจุดเมื่อโปงเมื่อเศราแล้วก็เรียกว่าสงบอันนี้เป็นความสงบที่อย่างถูกรอที่จะสงบอย่างนี้เป็นอย่างนี้มีวิธีการม่ธีการก็หลายผมได้ทำมาแต่เมื่อสมัยยังไม่เลยทำพุโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ นึกออกพระพุทธเจ้ามาไวในหัวใจของเราหลังจากนั้นก็ทำสัมมาอานาหารีสองสามรู้ความรู้อานาปนานสจติหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวเล็งหยาบเล็งละเอียดดีมันมันนิ่สงบเติไมันสงบแต่มันไม่รู้ เอะไรเป็นปิตุหมายปลายทางไม่รู้ปิดุสำคัญอยู่ที่ไหนไม่รูอันนี้เลยว่ารู้อย่างไม่รู้สงบแต่อย่างไม่สงบอันนี้เพราะมันยังมีความสงสัยกังวลใจก็เลยว่าให้หัวไม่สงบรู้ให้หัวไม่รู้แต่มันยังไม่รู้ตอนที่ผมจับใจความตัวเองได้ คือมาทำกลมเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รหู้มีจังหวะมีจังหวะคลิกมือขึ้นให้รู้ว่มือลงยกมือไปเอามือมาให้รู้เอียงท้ายเอียงหัวก้มือให้รู้กวนนั่งลายไปยำคอยไม่ให้รู้จิตใจมันลุกมันคลัทให้รูอย่างนี้ไม่นาน รู้บ้าก็ต้องรู้ตัวเองไม่ต้องรู้คนอื่นเลยไม่ต้องไปเอาพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาไว้ในหัวใจเราเลยแต่รู้เรื่องลูกลูนามนี่เองรู้ลูกลูนามรู้ลูค้ำรู้น้มทำรู้ลูโลกรู้นามโลกรูโลกนามโลกนีมีสองอย่างด้วยกันรู้น้ำโลกรู้ทางเนื้หนังต้องไปหาหมอง โลกทางทจิตใจโลกทางวิญญาณต้องเจริญสติตเจริญคนรู้สึกว่ายา อ, อยา้ม่ขาดทต้องเหมือนกันให้รู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วอันนั้นในจิตใจมันเป็นโลกมันไม่สงบจิตใจรู้สึกวิญญางมันเป็นโลกนี่รู้จากอันนี้แล้วพอรู้จักผูกขังอันนี้จังอ น, นั้นปานม่นจังสมมติสมมติในโลกนี่รู้ให้ครบ ให้จบใหุ้ก็รู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวผีเทวดานั้นลูกสวรรค์บาบุญอะไรรู้ให้หมดตึย่างเม่อรู้อันนี้แล้วก็สมบขึ้นมานี่ว่ามีตาทิพก็ได้มีหูทิพก็ได้กะลรรู้ศาสนาศาสนานี่หมายถึงทั่วไปศ า, าสนาคือแต่ว่าคำ ส, สอนของท่านผนี้ พุทศาสนาคือตัวผู้ที่เรีย น, นเองส่วนพุทศาสนากับศาสนาคไม่เหมือนกันไม่รู้พุทศาสนาจ ะ, ะรู้บากรู้บุญรู้จริงหบาปก็คือไม่รู้นั่นแหละหลงตนลงตัวหลงกายหลงใจผู้ใดตัด้ บ, บาปก็คืองโง่นั่นเองอยู่ในทิพยงไม่รู้คนอย่ในทน่ก็ยังไม่ได้จั รู้อันนี้จบแล้ว เ, เรียกวาภาบุ้นแต่เรือย่างนี้คนอื่นน่จะรู้อย่างไรไม่ทราบที่ผมนํามาเล่าสู่ฟังมันก็เพื่อกันเลยถ้าหากมีความสนใจต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่มีวิธีการทำจังหวะให้รู้อยู่กับจังหวะและเมื่อรู้อยู่กับจังหวะแล้วมันมีปัญญาเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าอยากชนะ ใจดีเตยยังม่เนลักษณะลักษณะบริใจผมคนหลงมขึ้นยั่ไม่เป็ น, นลนนักษณะใจดีหรือได้ดีดใจเมื่อดีใจแล้วบเกสุทธิ์ปีืปิขึ้นมาเมื่อปีติเกิดขึ้นมาก็ลลลหลงแล้วหลงชีวิตเราแล้วผมก็เลยไปติดผมตกเย็นเข้ามาผมเกิมาเลือจากผมติดตัวเองเอย เมืม่อผมคิดตัวเองแล้วดูความคิดสองสามครา้งนีน่แหละผมก็เริ่มเล็จจักผมรู้เข้าใจวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกก็เรียกว่าวัตถุเมืเมื่อเข้ามาในตัวเราก็หมายถึงตัวเราเนื้อหนังทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในตัวเราเรียกว่าวัตถุ เรานจิตใจเราเนกเราคิดคิดอาก็ตามทุกสิ่งทุอย่างมันคิก็เรียกว่าัตถุนี่เ อ, อย่างนั้นแต่และนั้ก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกที่ตาเห็นหรืเหูฟังประสบการณ์อยู่ใน ท, ทันทีในขณะนั้นเรียกเป็นปะะมัมจตมแต่ล้มาถตัวเราก็เหมือนกันกาลังราประสกา์กออย็ยกเปะะ็นปัม จิต่เรายุคเราคิดเราเห็นเมเท่าทันเหตุการณ์ก็เป็นปรามาสเช่นเดียวกันอาการหมายถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ดินในโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตรงนั้นเรียกว่าอาการตัวของเราก็เช่นเดียวกันมันมีการเหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่อยางนั้นเรียกว่าอาการจิตใจของเรามันนุ่มมันแค่ก็เดียกเป็นอาการเป็นย่งนัน เม่อเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็เลยเห็นรู้เข้าใจโทสัโมหโะสุภะอันนี้เมื่อเห็นอันนี้แล้ผมก็นลยเข้าใจเวทนาไม่ไม่ทุกเป็นมีเวทนาก็มีอยู่แต่ไม่ทุกสัญญาก็มอยู่เต่ไม่ทุกสังขาวรมีอยู่พอไม่ทุกปีนานี้อยู่พอไม่ทุก เมืม่อมนไม่ทุกขแล้วผมวัดน้ำหนักตัวเองเอาไว้ร้อยกิโลน้ําหนักในตัวเรามันหนักแต่ก่อนมันไม่มูพอดีเห็นรู้อันนี้เนี่ยเบาขึ้นมาทันทีเลยที่น้ำหนัก่ในตัวของผมเนี่ยร้อยกิโลลดไปเลย ท, ทันทีแปดสิบกิโยังเหลืออยู่ภายในยี่สิบกิโลผมเดินกลับไปกลับมา ผมวาดตัวเองเป็นพระได้แล้วพระแบบนี้เนี่ยเราควรศึกษาและควรปฏิบัติให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นภายในจิตใจของเราพระแบบนี้เนี่ยเป็นอันประเสริฐเป็นเนื้อนาบุญของโลกเนื้อนาบุญอื่นไม่เหมือนกับเนื้อนาบุญอันนี้อันนี้เป็นพระแท้ เป็นปาลามัตแท้อันนี้การปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติเพื่อให้ยามปัญญาเกิดขึ้นไม่ว่าวิปัสนาญาแต่คนอื่นนั้นทําอย่างใดก็ได้แต่สําหรับตัวของผมทาอย่างนี้จึงจะเป็นอย่างนี้ก็เลยแก้ปัญหาการขัดแย้งภายในจิตใจของผมได้ผมจะนำํำวิธีนี้แหละมาแนะนำ เพื่อนฝูงเป็นโยมอยู่แนะนำสองปีกว่าแล้วเขามาบวชเพราะคนมันติดผ้าเหลืองติดการบวชนาบวชแล้วก็แนะนำอย่างนี้มาตลอดเวลาวันนี้ก็ต้องแนะนำอย่างนี้เช่นเดียวกันในนั้นพวกเราถ้าหากเป็นนักปฏิบัติจริงๆก็ต้องปฏิบัติให้รู้ ปฏบัเพื่อลดมานะลดทิกฐิลดคนเห็นเต็ตัวทัในใหดจึนว่าลดเราไม่รู้ไม่ถือได้เห็นอย่างนี้ผมเข้าใจว่านี่เป็นทางเดินไปหาพระพุทธเจ้าที่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราเห็นเรารู้พระธรรมอยู่ที่ไหนเราเห็นเรารู้พระสงฆ์อยู่ที่ไหนเราเห็นเรารู้ บิดามาดาของเราเราเห็นเราลูเพราะเรามีตาทิพเพราะเรามีหูทิพเพราะเราปฏิบัติตามสิ่งต่างหมายทิพยตัวเหถูกต้องเห็นตัวเรากําลังทํกำกําลังทุกกําลังคิดนี่เองจึียงก็รได้จากเป็นปฐมฌานเป็นผู้ปิญญาฌานเป็นตติญาฌานเป็น ว่เป็นพระสารเป็นปัญจมาสานไปอย่างนั้นวันนั้นในขนาดช่วงนั้นจิตใจผมเปลี่ยนสองครั้งผมรู้จักเป็นมากเป็นผลขึ้นมาจริงๆก็เลยเห็นทางปเป็นทางไปไม่ใช่เป็นทางเหมือนทางรถเดินเป็นทางทางทจิตใจจิตใจมันเป็นทางมันเห็นเหมันรู้เหมืนอนเข้าใจอย่างนี้น เปรับประกรรคำโค้กของตัวเองได้นับประการคำโคกของพระพุทธเจ้าได้เป็ น, น, นและเคยเลยมานอนเดินแล้วเามานอนนอนมาตกตอยเฝ้ามาผมก็เลยมาทำจังวะวางหน้าเป็นฝันในทำจังหวะเดินตนัวผมก็เห็นกระหาปตัวหนึ่งแลนท่านหน้าของฝ่ ผมเอาเทียนไขาตามไปไม่เห็นเพราะผมพูดจากห่านน่าเห็นโลชิติ ข, ขัดนเห็นได้ก็เอาเทียนไขามาสร้างไว้ที่เดิมก็เลยเล่เห็นเข้าใจสิ่งสิ่งก็เป็ปกติเมื่อเรามีปกติแล้วจิตใจมันนึกมันคิดก่อนตั้งรู้มีใครพูดอะไรก่อนต้องรู้เพราะเรามีปกติ เมื่อปกติกายปกติว่าจาวปกติใจการทำตอนะี้อะไม่มีปกติแล้วก็การทําการพูดการคิด ก, ก็ไม่ลูเมื่อมีปกติแล้วการทําการพูดการคิดต้องรูง้เป็นรู้เป็นอารมณ์เป็นภักเป็นภั ก, ภกขึ้นมา ที่เรารู้อย่างนี้คงเคยรู้สมถะกรรมฐานเขาที่ปัจจนากรรมฐานนี่เป็นคนละเรื่องกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันสมถะกรรมฐานเป็นเป็นอุบายให้สงบจิตสงบใจนี่ปัจจณากรรมฐานนี่ปัจจณาภาวนาเป็นเรื่องของปัญญาปัจนานาเว่าเป็นอุบายให้เกิดปัญญา ให้เลื่อหนหรือติ่มตามผมเป็นติ่มติ่มหน่อย้รู้อันนี้แหละครับก็เลยเข้าใจว่านิปัตนาภาวนานี้เป็นสิ่งที่สำคัญทำใหกเกิดการปัญญาขึ้นทุกข์ขุนลกุลไม่ได้ในขรรศาสนาไหนในภาคี อ, อะไรอ่าจเป็นผู้หญิงผู้ชายโคตามแลาที่ไหนโคสามอรู้ ถ้าปฏิบัติถูกต้องถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่หรือสำหรับตัวของผมผนอือ ไ, ไม่ต้ตียังไงในรูปผมไม่นำมาเล่าสียฝั่งวันนีผมพราะต้องการวงปีนโ้ากฝังเื่อศิษสมนุนและญาติาเพอสนใจสิ่งนีนเป็นวิธีที่ผมนำเอามาใช้กับตีของผมไม่ได้จาก ธารมกรรมฐานที่ปรินาภาวนาเลือกทางกันแล้วก็เลยรู้วคนเราทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครอผู้มาบ่อยๆอันนี้ก็ยกไปเนรกจึงเห็นสัตว์นรกจริงๆเห็นสัตว์นรกเห็นเตลเห็นสัดเวลาสารเห็นอาุนลกายนี่จริงๆจะไม่ได้ตายเห็นใจมันถึง ใจมันรู้ใจมันเข้าใจไปเลยเขารว่าทางเดินแต่สายด้วยกันไม่เห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องหุณการทำบุญซึ่งทำบุญก็กายด้วยวาจาด้วยใจอย่างนี้แล้วก็เห็นคุณค้าของหัวเป็นคนแล้วก็รู้สวรรค์โลกอมรโลกโลกนิผ่าน นี่เป็นทางไปห า, าพระพุทธเจ้าจริงๆไม่รู้อันนี้เห็นอันนี้เข้าใจอันนี้เรียก ว, ว่าสภาพรวมเป็ น, ปนดอดู่วรณะนิพพานเนี่ยคนเดยมากเข้าใจกันร่าายแล้วคือคมนิพพานแต่ควรื่อนนิพพานมันมีอยู่ในครอบตูบคองทุกคนเราไม่เคยรู้เหมือนอย่างนี้ เดือเห็นอย่างนี้แหละสภาพด้วยภาวะอาการของกายและของจิตสำหรับตัวของผมมันขาดออกจากกันคือมันแยกออกจากกันแต่ว่าได้หรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันติดกันมันจะจับทีเดียวมันไม่กออกจากกันเลยแล้วอมันแยออกจากกันมันก็เข้าสู่สภาพด้วภาวะของมัน ตอนที่มันเข้าสู่สภาพแลภาวะของมันนี่มันแห้งมันตื้ดเหมือนกับสัำลีไม่ถูกน้ำนี่เองเหมือนแห้งรูปผมคือเปียบเอาไว้เหมือนกับเด็กเด็กแมเดิกคือเลื่องลูกอย่ลูกดีแต่พวโก้นมันไม่แด่นพอเราเอามัินไปเตะมันตื้ดเข้าทันทีเลยมันตื้น รผมเคยเปรียบเขาไว้ว่ามันพวกไหนย้านพวกคนนั้นพวกไม่ตัดตรงกลางดึงเข้าหากันไม่ถึงเพราะมันเข้าไปในสภาพของมันได้ว่ามันเข้ามันเข้าตก้มันเข้ากลับนึกจะว่ามันยังไงก็ได้แม่กับโต้หอยมันเข้าในตัวในต้ามันมปนนั้นยิ่งเหมือนกันกับได้น่านของผมเขาเลียงมอนเลียงไหมกัน ดักดันเข้าไปในป้อมันยกเทาใหญ่อัดตัวมันไว้เข้าไปต้มไปไปเอาเส้นไหม่เนี่ยแล้วแบนี้ตัวมันหบเขา้ามันเป็นอย่างไงอันนี้สภาพของจริงพวกคนหนีไม่พ้นหนึ่งอั น, นี้เรยควรศึกษาหาพระแบบนี้ถ้าไม่ศึกษาหาพระแบบนี้แล้วไม่มีโอกาสไม่มีเวลา ไม่จะพบไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องเป็นสภาพอย่างนั้นผมเข้าใจอย่างนี้เชว่าผมกล้าังว่าพระพุทธเจ้ามีสิ่งพระธรรมพระสูตรมีสิ่งโลกสวรรค์มีสิ่งเอสเดลสารมีสิ่งเต็มเฉพาะบุคคลผู้ที่รู้ ไม่ใช่เิียงเฉพาะบุคคลผู้ที่ไม่รู้รูอ้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้ ร, รู้ให้เรารู้งจริงๆใ้เราเ่สภาพเช่นนี้เลยครับุณก็รย้ในปัญหาการแก้ปัญหาของแคกคนแก้เก้อที่ตรงนี้ให้เราให้ทานรักษาสิ่งอินเตยก็ดีอันนั้นแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฆ่าคนให้ตายพระพุทธเจ้ามีเทนคนิคมีคกลไกมีนิพพิฆ่าคนเม่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยอยาติโยมเพื่อนฝูงบางคนไม่เข้าใจหาว่าผมไม่พูดพิษอันนี้ก็พิดจริงๆผิดกับของบุคคนพู้ที่ไม่รู้พระพรทเจ้าสอนคนให้คนหมดไปให้เหลือแต่พระล้วน เป็นยังพระพุทธเจ้ามีเทคนิคมีกลมีวิธีหาวิธีฆ่าคนแต่คนเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเมตตากับคนแต่ไม่ใช่มีเมตตากับคนแต่พระพุทธเจ้าฆ่าคนไม่ได้มีเมตตาขับคนมีเมตตาขับบุคคลผู้ที่ไม่รู้สอนให้รู้ดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสอนคนที่อย่างงง ให้สลัดขึ้นมาขอนักคนทูกที่ยังไม่รู้ใหรู้ขอนคนที่ยังมีทุกให้หมดทุกข์น่อพระเจ้าสออย่างนีน้ถ้าผมพูดมีทุกคนต้องประสบการณ์ น, นี้ถ้าหากเรายังไม่เติมไม่มีไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นในขณะนี้ควรจะหมดลมหายใจนี้ทุกคนต้องประสบอย่างนี้นผมยืนยันรับรองว่า คนต้องมีนิพานเลแต่ไม่เอานิพานมาใช้เท่านันเองเพราคนไม่มีปกติจิตไม่รู้จักนิพานคนไม่มีปกติมันจะรู้อะไรจิตใจมนุษมันคิดมันไม่รู้คน ม, มีปกติแล้วจิตใจมนุษย์มอนคิดมันก็ต้องรู้เพราะมันเข้าสู่ส ภ, ภาพของมันแล้วอันนี้เป็นวิธีที่โกลไก ที่ผมนําเาให้ฟังวิธีของมันนี่ต้องนึกต้องคิดอะไรให้มากทำปวงลี้สิบตัวให้มากแ่ย่าไปอยู่กับจิตใจที่มันนึกนให้อยู่กับปวงลี้สิดตัวนี้เองอันนี้ทุกคนที่ประสบมะเป็นผู้น้ก็ประสบต้องเป็นต้องจะเป็นผู้ใก็ต้องประสบต้เป็นท้องี ถ้าสงองเจ้ากว่เจประสบต้องเป็นตังนี้ผู้หญผู้ชายกว่าเจประสงต้องเป็นตนันี้ให้ว่าคนนี้เคยถามคนมาหลายคนแล้วใครให้ฟีดเสียงเรียงนา ม, มาคาว่าคนถามมาปริยายเอกคาว่าดร็อคเตอร์เขถามมาหลายคนแล้วพวกเรียนบาลี ดังนั้ น, นทำตีโถยเอกเป็นมหาบาดีเป็นมหาประเดีนประโยคสามสี่ห้าหกคือถามมาแล้วไม่มีใครให้ความสวา่างความกระจ่างแจง้งภายในใจิตใจแค่คนณเดียวเรื่ลงเราผมมาทำอย่างนี้เลยเกิดความรู้ความเห็นผวเข้าใจความกระจ่างแจง้งภายในจิตใจของผม เขาจึงรับประการคำพูดคำี้ไวคำว่าคนเนี่ยหมายถึงบุคคลผู้มีปัญญาแก้ปัญหาการขัดแย้งภายในจิตใจตัวเองได้จึงจเรียกว่าบุคคลถ้าอุปถัมตรงๆก็เรียกเป็นปฐมมาสายาเป็นพระเนี่ยบุคคลเป็นพ้าโสดาบันบุคคล เป็นโยมก็เดกเป็นพระอนิบุคุณถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เด็กเป็นพระอริจจสงจะเป็นอย่างนั้นที่ยังไม่มีปัญญายัางไม่ได้จากทิศทางยังไม่ได้จากทางเดินไปหาพระพุทธเจ้าจะเป็นคนได้ทธรรมะเป็นไม่ได้แต่เป็นได้เฉพาะโดยขึ้นมาเร่อขาหน้าตามือเท้าเป็นคนโดยจิตใจยังไม่ค่อยคุ้น ผมเล่าคนที่ให้ฟังวันนี้ก็ทุกคนจำได้ยังไม่ควรปฏิบัติควรหาคนที่ให้เป็นถ้าเราปฏิบัติธรรมะเพีงเล็กเล็กน้นอนทุกมันก็รู้แต่มันรู้ไม่ใช่รู้รู้อย่างไม่รู้รู้ถิ่น ถ, ถูกผู ก, กดวรู้อย่างไม่รู้ แู้อย่างผู้รู้แู้คืออย่างพระพุทธเจ้ารู้แู้แก้ปัญหาตัวเองได้รู้เล็งแก้การขัดแย้งภายในจิตใจตัวเองได้ไู้แก้ปัญหาการขัดแย้งภายในจิตใจตัวเองได้นน ค, าาดนไดคนอื่นคงยู่เหมือนกันก็เลยรู้จวัว่าพินสัตนาโลกเอสเวลาสายมีอยู่ที่ตัวเรา แต่ยึดเป็นบุคลาจิฐานขึ้นมาควนก็เลยไปติดบุคลาจิฐานแต่ควรคือมานใช้บสอนเอาไว้ดีแล้วเป็นบุคลาจิฐานบ้างเป็นธรรมมาธิฐานบ้างถ้าเป็นบุคลาจิฐานขายี้เป็นตัวตนงตัดน้ำเลือดตักดวกันเลือดการทให้ความเลืเป็นบุคลาธิฐานถ้าเป็นธรรมมาธิฐานเมือถใจคือสืบิติใจขององค์ มันเป็นอย่างนั้นบางทีเป็นผีบางทีเป็นสัตว์นรกบางทีเป็นเตบางทีเป็นสัตว์มิราสานอันนี้เขาอกเป็นธรรมาธิฐานเป็นบางทีเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมหรือเป็นพระอนีจบุคคลอันนี้เขายกเป็นธรรมาธิฐานถ้ายกเป็นตัวบุคคลเป็นสวรรค์ฝันนั้นฝันนี้ เป็นพระพมสัสนั่นนี้อันนเขายึดเป็นจุกกระดานโดยน้อพวกเราฟังธรรมะา้งฟังให้เต็มฟังแล้วจักใจควาให้ได้นำไปปฏิบัติเดื่อมรูผนิพพานนั้นในแล้วในคนทุกคนไม่ยกเลิกถ้าผิดไปจากนี้แล้วก็แสดงว่าไม่ถูกหลักพฤติการอันนี้ที้ผมนมาเล่าูฟังวันนี้ หลังจากการทำวัดเขาก็เห็นว่าสมควรถึงเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้ผมและเพื่อนทุกสุขท่านหทุกท่านทุกคนญาติโยมทุกท่านทุกคนขอให้พวกเราได้ประพึงดีปฏิบัติชอบตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสัตท่างหลายเราผู้เป็นสถาคตัวถึงแรงแห่งนั้นและจะนำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พบเธอทําหลายเป็นคูปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้กู้จะรู้จะกเหนจากพินจามีอย่างเราตถาคตนี้โห่ใพบเราทุกทุกคนเ ป, ป็นกระสุนพบเหนเอานรนยะเวลาอันใกล้นี้เป็บบนบทุกคนเธอน